สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรายังอยู่ในกฎทองคำกฎข้อที่12นะครับซึ่งเป็นกฎที่พูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อครับและหวังว่าในเช้าวันนี้นั้นพี่น้องหากมีความตั้งใจและฟังดีๆพี่น้องก็จะได้สิ่งที่เป็นเรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุดครับที่ผมจะอธิบายและ ถ่ายทอดแบ่งปันให้พี่น้องจากหนังสือกฎทองคํา20กฎนะครับซึ่งนำไปสู่ชีวิตและคุณธรรมที่ดีพี่น้องครับชีวิตที่สมานฉันและดีงามเขียนโดยท่านศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ฟิลิปเทงนะครับแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยทินพี่น้องครับพจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจาการบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่5 โปรดฟังประวัชนะของพระเจ้าในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชือ้อเมื่อเปโต้ถูกจับเข้าคุกแล้ว ให้จำคุกให้ทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมใม้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตูจึงถูกจำจองในคุกแต่คิดจักอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นพี่น้องครับในพระเจ้านาพระเจ้าตอนนี้ผมขออนุญาตอธิบายเบื้องหลังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจต่อข้อเขียนของท่านาศาสตราจารย์ดอกเตอร์ฟิลิปเทงต่อไปนะครับตอนนั้นกษัต ร, ริย์เฮโรสมีอำนาจมากทีเดียวและข่มเหงบรรดาเหล่าสาวกทั้งหลายและสิ่งที่ท่านทำที่แย่มากๆ ก, ก, ก็คือว่าท่านฆ่ายากบพี่ชายของยอนครับและยากบนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าพลีชีพเพื่อพระเยซู พริชีพเพื่อความจริงและเป็นที่ชอบใจของพวกยิวเพราะว่าคนยิวหรือพวกผู้นำาศาสนายิวก็ยินดีมากเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่อยากจะให้คริสเตีเตยนนั้นได้แพร่กระจายออกไปาศาสนาพระเยซูถูกยอมรับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในสุดเฮโรกดก็จับเปโตร สิ่งที่สําคัญก็คือว่าจับเปโตในช่วงกําลังจะเข้าสู่เทศกาลปัสกาและพี่น้องก็คงทราบดีนะครับว่าเทศกาลปัสกานั้นพวกเขานั้นจะต้องดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บทบัญญัติของโมเสสในหลังจากเทศกาลปัสกาแล้วก็กะว่าจะเอามาให้ประชาชนและเพื่อที่จะฆ่าเปโตด้วยและนี่คือสิ่งที่ พระเงิตพิกล่กาวแต่ข้อที่น่าสังเกตอยู่ในข้อที่5ครับเพราะฉะนั้นเปโตจึงถูกจําจองในคุกแต่คริสจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตอย่างร้อนรนขณะที่เปโตจําจองอยู่ในคุกนั้นคริสจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างร้อนรนข้อสังเกตของศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านเขียนนี้ครับว่า ที่ระาวาังใจนั้นไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นพระเจ้านี่คือประเด็นที่6ในเช้าวันนี้ครับในหนังสือ20กฎทองคำท่านเขียนว่าบางคนวางใจในความเชื่อและคิดว่าความเชื่อนั้นเป็นพระเจ้านั่นคือความเข้าใจผิดนะครับเราวางใจในความเชื่อไม่ได้เราต้องวางใจในพระเจ้าครับและเราอย่ามาโนไปเองว่า ความเชื่อเป็นพระเจ้าความเชื่อกับพระเจ้านั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรกิจการบทที่สิบสองเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้อ่านไปแล้วบันทึกว่าพี่ชายของยอนคือยากบได้พรีชีพเพื่อความจริงพีชีพเพื่อพระเยซูคริสต์คริสเตียนในเวลานั้นได้อธิษฐานเผื่อท่านหรือไม่ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคำตอบก็คือแน่นอนที่สุดครับเขาเหล่านี้ ก็คือคริสเตียนในสมัยนั้นคงจะอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าคุ้มครองชีวิตของท่านแต่ในที่สุดยากรอบนั้นก็ตายยากรอบตายไปแล้วถามว่าคำทูลขอนั้นมีประโยชน์หรือเปล่ามีประโยชน์หรือไม่คำว่ามีประโยชน์หรือไม่มีความสำคัญกรับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าคาอธิษฐาน ของพี่น้องคริสเตียนในสมัยนั้นไม่ได้ช่วยยากอบให้รอดชีวิตดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่การตายของยากอบกลับกลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวท่านเองเหมือนกับสเตเฟนผู้พลีชีพเพื่อความจริงพลีชีพเพื่อพระเยซูซึ่งเป็นเกียรติอย่างมากของตัวท่านเอง ให้เราลองจินตนาการครับว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานะภาพอย่างนั้นสมมติว่าเวลานั้นเราอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเราได้อธิษฐานเผื่อท่านยากอบด้วยความกระตือรือร้นแต่สุดท้ายท่านก็ตายต่อมาเปโตถูกจับติดคุกกำลังเผชิญหน้ากับความตายอีกคนหนึ่งเราจะทำอย่างไรครับเราจะอธิษฐานเผื่อเปโตไหมเพราะความเชื่อ เราได้อธิษฐานเผื่อยากอบครับแต่ยากอบก็ตายแต่บัดนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าสาวกในสมัยนั้นเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเบตโตด้วยใจร้อนรนคำว่าใจร้อนรนนั้นมาจากไหนครับเขาไม่ได้เอาตาของเขาวางไว้ที่ความเชื่อเขาไม่ได้ใจของเขาวางที่ความเชื่อเท่านั้น แต่เขาวางใจที่พระเจ้าตาของเขานั้นจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ความเชื่อของตัวเอง <ส S 2> เองขาเหล่านั้นเชื่อว่าพระเจ้าดีที่สุดครับน้าพัดไทยพระเจ้าดีที่สุดนี่คือความเข้าใจที่สำคัญมากเมื่อความเชื่อของคนคนหนึ่งไปสู่ที่สูงสุดเขาไม่ได้วางใจแค่ความเชื่อที่เขามีอยู่เท่านั้นแต่เขาวางใจในพระเจ้า เพราะการวางใจในพระเจ้านั้นเขาจะไม่มีวันสิ่งนหวังครับแม้ว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบคำอธิษฐานตามที่เขาเชื่อเพราะพระองค์ไม่ผิดพลาดเ็าวางใจเช่นนั้นและไม่เคยผิดพลาดในทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงกระทมและทุทกๆสิ่งที่พระองค์ทรงกระทานั้นย่อมมีน้ํพระทัยที่ดีแฝงอยู่ซึ่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและคำทูลขอของเราพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับผมอยากจะย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เรามีความเชื่อนั้นก็ดีแต่พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของเรามากนักบางครั้งทีเดียวเรายึดความเชื่อของเราและเราเอาความเชื่อของเรามาบีบพระเจ้าครับมา มัดพระหัตถ์ของพระองค์บอกว่าผมมีความเชื่อพระองค์ต้องตอบคําอธิษฐานของผมเช่นเดียวกันกับพี่น้องถ้าบรรดาเหล่าสาวกในสมัยนั้นเขาวางใจในความเชื่อของเขาแทนที่จะวางใจในพระเจ้าพวกเขาคงอาจจะไม่อธิษฐานเผื่อเปโตครับเพราะอะไรครับเพราะอาธิษฐานเผื่อเปโตด้วยความเชื่อก็อาจจะ ทำให้เปโตนั้นไม่รอดเหมือนกันเหมือนกันนกบที่เขาอธิษฐานเผื่อยา ก, กอบด้วยความเชื่อฉะนั้นเราจึงเห็นหลักการที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าให้ระวังใจในพระเจ้าให้เรายอมรับสิทธิอานาจสูงสุดของพระองค์ให้เรายอมรับอั น, นาจอธิปไตยของพระองค์เวลาที่เราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามน้าพัดไทยของพระองค์เหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานเช่นเดียวกัน พี่น้องครับถ้าเราใช้ความเชื่อมาบีบพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วครับถ้าเราอ้างความเชื่อพี่น้องครับเรากำลังทำผิดในสิ่งที่เป็นความจริงจาก พ, ะพระเจ้าขอให้เรายอมรับในสิ่งที่เราอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั่นคือการถ่อมใจลงลงพึ่ง ในองค์พระวินเจ้าและยอมรับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระองค์ไม่ทรงผิดพลาดในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นมีน้ําพระทัยที่ดีกับลูกของพระองค์เช่นพวกเราเสมอพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเหลือเรา ให้เราที่เห็นความจริงข้อนี้ไม่ว่าเราจะอธิษฐานด้วยใจร้อนรนยังไงก็ตามครับเราอธิษฐานเผื่อด้วยความปรารถนานดีต่อพี่น้องที่กำลังเจ็บป่วยไม่สบายอย่างไรก็ดีเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดและพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งที่ดีที่สุด ที่ไม่เคยผิดพลาดเลยและดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพวกเราอาเมน